พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8พฤษภาคม2554มีชื่อเรื่องว่าโอวาทธรรมวันมหามงคลหลังวันมอบทองคำเข้าคลังหลวงเป็นวันมงคลมหามงคลสาหรับ พี่น้องประชาชนอำเภอนาอยงน้ำโสมบ้านผือสังคมที่อยู่ในละแวกนี้ทุนกระมอมหญิงวาหญิงท่านประทับที่วัดป่านาคำน้อยของพวกเราหลวงพ่อเองในฐานะเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นผู้เจ้าของพื้นที่หลวงพ่อมีความยินดีอย่างยิ่งที่ทุนกระมอม มาป ร, ประทับแล้วก็ผีน้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ามาร่วมในวันนี้เมื่อวานทูลกระหม่อมก็ได้ไปเป็นประธานคณะสิทธิานุสิ์ขององค์หลวงตาที่สวนแสงธรรมพุทธมนตนสายสามเขตบางแครกรุงเทพมหานคร หลวงพ่อเองก็ได้ไปลงไปเป็นกรรมการมลกรรมการพินัยกรรมองค์หลวงตาที่ท่านเขียนระบุเอาไว้ก็ได้ลงไปช่วยๆกันจัดงานเพื่อมอบทองคําเข้าคลังหลวงเมื่อวานนี่เป็นเป็นครั้งเย่งใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายเป็นทองคําทั้งหมดเก้รกว่ากิโลเมื่อวานนี้ แปว่ามอบครัง้งครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ก่อนหน้านี้มอบแต่เพียง400รหรือ400กว่ากว่าแต่คราวนี้ทำไมจึงได้มอบมากเพราะว่าองค์หลวงตาท่านจะมอบทองคําครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้แต่ก็ยังไม่พร้อมเกี่ยวกับสุขภาพข อ, ององค์หลวงตาด้วยแต่พอมาคราวนี้กลายเป็นสองเพราะองค์หลวงตาได้ละสังขาร เมื่อวันที่30มกรา5 4จากนั้นก็คณะสิทธิานุสิทธิ์ก็ได้ร่วมการบริจาคสมทบจะถูกปัจปจัยเพื่อซื้อจะถุกปัจจัยที่องค์ตามพินัยกรรมของหลวงตาหลวงตาบอกว่าเมื่อเราผ่านไปแล้วหรือเรามรรณภาพลงไปจะถุกปัจจัยที่มาในงานศพ มาในงานของเราจะมากน้อยแค่ไหนอย่านำมาใช้ในงานศพของเราอย่ามานำมาประดับตกแต่งในงานศพของเราให้นำเงินเนจตุปใจัยของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราเนี่ยให้นำไปซื้อทองคำเข้าคังหลวงทั้งหมดะนี่แหละคือความ มีน้ำใจมีความมีเมตตาขององค์หลวงตาพวกเรานึกดูซิย้อนหลังดูแต่อาตมาภาพอายุหกสิ็ดปีปีนี้นึกย้อนหลังดูไม่เคยมีที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าครูบาอยยาจารย์ที่ท่านจะได้เขียนพินกรรมอย่างนั้นแต่ตลวงพ่อเองก็นึกแบบโง่ๆอีกต่างหากโอ้ยหลวงตาท่านเขียนพินกรรมอย่างนี้ จะคนมีจะมีคนทักเท่าไหรจะมาทำบุญที่จัดจัดงานมางานใหญ่ๆก็ได้เพียงเกล้านสิบล้านไม่ถึงยี่สิบล้านคราวนี้เขาคงจะอย่างมากก็ไม่น่าจะถึงห้าหกสิบล้านงานนี้ไอเนี่แหละคือความคิดแบบงงๆของหลวงพ่อแต่พอเอาเข้าจริงๆโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเงินสะพัด พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทุ่มเทถวายจตุปัจจัยในงานกองหลวงตาแต่ละวันผลในสุดได้เงินถึงสี่ร้อแปดสิบสี่ล้านแล้วก็ทองคำอีกร้อยกว่ากิโลถ้าคิดเป็นเงินออกมาแล้วก็หลายหลายร้อยล้านเหมือนกันห้าหกร้อยล้านไม่ใช่น้อยทาไม่ใช่ธรรมดา เพราะนั้นงานคราวนี้ที่ได้มอบทองคำก็ได้นำจัตุปจัยทั้งหมดและทั้งทองคำก็หลอมให้เป็นแท่งแล้วก็เงินก็นำไปซื้อทองมาหลอมให้เป็นแท่งเป็นแท่งใหญ่แท่งลนะสิบสอกิโลครึ่งแต่แต่ละหนึ่งแท่งนับดูเมาาื่อวานได้ 70% ดกว่าแท่งเ0 0าร้กว่ากิโลกรัม แล้วก็รวมทั้งหมดที่ลงตาเอาทองคำเข้าคลังหลวงตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงเมื่อวานนี้ได้ทองคำทั้งหมดส3บสามกิโลมาาพันกิโลคือตันตันกับสามพตันกับเอ๊ะหมื่นพันกิโล เมื่อวานแล้วก็ดอลลาร์ได้สิบล้านกว่าสิบล้านกว่าดอลที่ลงตานําทองคําและดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงเมื่อวานเนี่ยได้มอบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ก็เนี่ยทุนกระหม่อมเป็นประธานฝ่ายสิทธิขององค์หลงตาได้รับมอบจากนั้นทุนกระหม่อมก็ได้นํามอบ ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าแบงค์ชาติก็มารับเมื่อวานนีรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนล้นหลามเต็มไปหมดที่สวนแสนธรรมไม่คาดคิดว่าพี่น้องศรัทธาญาติโยมจะให้ความสนใจถึงขนาดนั้นแต่เห็นแล้วก็อุ่นอก อ, อ, อ, อ, อ, อุ่นใจทุกคนให้ความสำคัญในงานมอบทองคำ เข้าคังหลวงในครั้งนี้ทุกหมู่ทุกเหล่าเน่หลวงพ่อในฐานะพระสงฆ์องค์หนึ่งที่เป็นกรรม ก, การที่องค์หลวงตาเขียนลงไว้ในพินัยกรรมหลวงพ่อก็ได้ทำหน้าที่ในจุดนี้พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เท่าที่ปัญญามีก็รู้สึกว่าร่าบรื่น เ, เป็นที่ สบายอกสบายใจผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าเห็นเห็นแล้วแล้วก็พินัยกรรมที่หลวงตามอบให้หลวงพ่อเองก็หมดภาระทิ้แต่ก่อนก็ยังค้างคาในจิตในใจว่าเราจะมอบยังไงเราจะทำยังไงเราจะเดินยังไงแต่บันนี้เมื่อวานนี้ท่านจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับยกสิ่งหนักๆอยู่ในจิตใจ มอบให้คลังหลวงมอบให้ประเทศชาติตามพินัยกรรมของหลวงตาคำสั่งของหลวงตาที่ท่านได้มอบหมายไว้เราก็ทำดีที่สุดถึงจุดจบเมื่อวานนี้ได้ทองคำทั้งหมด13ตันแต่เลยไปนิดหน่อย13ตันดันกงกลงจะมีคนบริจาคต่อไปภายภาคหน้าจะปิดโครงการไหมหลวงพ่อ เดี๋ยวนี้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดหรือคณะสงฆ์ที่เปิดศิษยานุศิก็ได้หารือกันเป็นแนวทางเอาไว้ว่าถ้าหากว่ายังมีผู้สนใจอยากจะทำบุญก็จะเปิดเอาไว้แต่โครงการของหลวงตานั้นควรจะปิดปิดให้มันจบไปถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับโครงการของหลวงตานีนจบแล้วก็คงจะเปิดเป็นโครงการของหลวงปู่ลีให้ท่านดูแล ก, กับบริวารลูกน้องพวกเรา จะสนับสนุนถ้ามีเงินถ้ามีทองมาก็นำทองนั้นไปบริจาคให้หลวงปู่ลีให้หลวงปู่ลีดำเนินตามที่องค์หลวงตาพาดำเนินก็คงจะเป็นไปได้เพราะว่าหลวงตาทําเป็นล่องเป็นแนวทางไว้แล้วไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาพอหลวงตาได้วางแนวดูแลรักษาในการดูแล ทองคำไปแล้วแต่ว่าก็อย่างว่าอีกเหมือนกันเพะกิเลสของคนแต่อยู่ในระดับหลงตาหลงตาควบคุมก็อยู่ในระดับได้แต่ถ้าหลงตาไม่มีเนี่กิเลสมันอาจจะโผล่ขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงมันอาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้อันนี้กระสุดแท้แต่อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าว่าเราอยากจะร่วมสมทบหลวงปู่ลีท่านก็ ย, ยังรับ เป็นแนวทางไว้อยู่ถ้าได้มาแล้วก็คงจะนำทองคำเข้าคลังหลวงเพื่อให้เป็นเพื่อความมั่นคงของของชาติไทยถ้าเรามีเงินถ้าเรามีทองคำอยู่ในคลังหลวงมากๆประเทศชาตินั่นก็มั่นคงเพราะเหตุใดเพราะเราพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ก็มีหลักประกันไม่ใช่กระดาษเปล่าๆว่านี่กระดาษแผ่นนี้เนะี่ยมีเงินมีทองคาอยู่ในคลังหลวง เท่านั้นเท่านี้นะ เ, เงินบาทของเราก็แข็งมีคุณค่าแต่เมื่อวานได้ถามดูว่าทองคำหนึ่งบาทเท่าไหร่เขาก็ตอบแบบข้าวๆรวบรัดบอกว่ามันขึ้นมากนะหลวงพ่อทองคำเดี๋ยวนี้หนึ่งบาทเท่ากับอสองหมืนห้าแล้วนะถ้าคิดแบบคิดแบบพูดพูดแบบมั น, มนขึ้นนะสองหมื่นห้าตอนหนึ่งบาท สมัยหลงตาซื้อทองคำทีแรกท่านก็ซื้ออัตมภาพเนี่ยเคยซื้อทองคำ บ, บริสุทธิ์เนี่ยคือทองคำเปอร์เซ็นต์9 9้าบ้าบาทหนึ่งก็เพียงสี่พันกว่าบาทหนึ่งกิโลเนี่ยก็หนึ่งกิโลเนี่ยก็เพียงส0มแสกว่าบาทแต่เดี๋ยวนี้ กิโลหนึ่งล้านสี่ล้านสี่กว่ากว่าอีกต่างหากล้านสี่แสนนะเพราะนั้นถ้าจะเอาทองคําหลวงตาที่ท่านเอาไว้แต่ทีแรกถ้าเปรียบเทียบกับกําไรขึ้นมาแล้วก็กําไรมหาศาลเนี่ยมากมายทีเดียวนี่แหละอันนี้คือดวงตาของเราท่านมีอนาคตตังสยานคืออนาคตคิดถึงอนาคต สมัยนั้นคนแนะนําให้ดวงตานําดอลล่าเข้าคลังหลวง เ, เพื่อจะได้หมุนเงินในประเทศให้คล่องแต่ดวงตากลับไม่เอาเอาว่าทองคําำยืนตรงตายืนพื้นเหรอทองคำํำแต่ถ้าว่าเราจะยึดดอลล่าตามที่คนนักเศรษฐศาสตร์หรือนักบัญชีทั้งหลายแนะนําพวกเรากคงจะกระตุกกระตากเองเหมือนกันเมื่อสอง ปีสองปีให้หลังคงพวกเราคงจะพอรู้ว่าเศรษฐกิจของดอลลาร์นั่นคืออะไรแต่ดวงตาไม่เอาเอาทองคำพอมาถึงวันนี้ณนะวันนี้โลกทั้งโลกก่อนระดมทองคำเข้าประเทศของตนเองก็แสดงว่าดวงตาเนี่ยเป็นผู้นำก่อนแล้วเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของโลกเลยเป็นผู้นำต่างประเทศที่มั่นคงขึ้นมาเขาก็บอกว่าทองคาอยู่ในคลัง ลงตาท่านก็เอาทองคําทองคําเข้าคลังหลวงนี่แหละอันนี้แหะคือดวงตาพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของพวกเราผูดทั้งนี้ทางนั้นก็เป็นเพียงแต่เป็นบอกเป็นที่บอกกล่าวให้คณะชาติญาติโยมลูกหลานได้รับทราบท่านหลวงพ่อไม่พูดพวกลูกหลานก็คงจะไม่รู้ว่าทองคําได่มีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรต่อประเทศชาติบ้านเมือง น, นี่แหละ อันนี้ก็คือได้มอบเมื่อวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงเป็นประธานแต่กับฝ่ายสงฆ์หลวงปู่บุญมีปริปุนโนที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ขององค์หลวงตาไปเป็นประธานมีพระ ท, ทั้งหมดนั่งในพิธี19รูปแต่กับมีพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งอยู่นั่งบริเวณนั้นก็สองร้อยเกือบสามร้อยกว่ารูปพี่น้องประชาชนไม่รู้เท่าไหร่ เต็มวัดนอกวัดเต็มไปหมดเมื่อวา น, นรู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นแล้วก็วันนี้ก็ทูลกระบอบท่านก็เจริญมาตั้งแต่เมื่อวานมาประทับที่วัดของเราเมื่อเช้านี่ก็ได้ทรงบาทพระสงฆ์สิบเก้ารูปนี่แหละเป็นนับวันถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทำอะไร ให้มีความมั่นคงให้มีความซื่อตรงต่อประเทศชาติชาติศาสนาต่อพระมหากษัตริย์พวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากทำไมจึงว่าโชคดีพวกเราได้พบพระอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อท่านหลวงรับดับขันไปพวกเราก็ได้เห็นอธิธฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุไม่เคยมี กระดูกธรรมดาจะ ก, กลายเป็นพระธาตุตามหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกว่านี่คือกระดูกของพระอระหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสผู้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการกระดูกต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือหลักยืนยันอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพวกเราก็ได้เห็นอธิธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุ โดยตลอดสม่ำเสมอมาองค์หลวงตาของเราก็เกิดเป็นพระาธาตุขึ้นมาแล้วไม่รู้กี่แห่งกี่โหนเหมือนกันเพราะนั้นพวกเรานับถือว่าโชคดีที่ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้พวกเราเชื่อฟังในโอวาทคือตั้งศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนคือเชื่อในผู้ผที่กล่าวและก็เชื่อในธทำคําสอนของท่านท่านคงไม่แนะนําในทางที่ไม่ถูกต้อง ท่านต้องแนะนําไปในทางที่ดีเออเหมือนในพระในครั้งพุทธการพระในครั้งพุทธการเออในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีพระองค์หนึ่งเข้ามาบวชพอบวชเข้ามาแล้วอยากจะศึกอยากจะศึกพระทั้งหลายก็มองว่าเออพระองค์นี้เป็นผู้มีนิสัยดีไม่ไม่น่าจะมีภาระทางอื่นน่าจะอยู่ดํารงทรงพระศาสนา กิริยามารยาททุกอย่างก็ดีแต่ทำไมท่านจึงอยากจะศึกพระทั้งพระสงฆ์ทหลายก็ห้ามก็ห้ามก็ไม่ฟังก็เลยนำพระองค์นั้นไปกราบถูกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทองเออเธอทำไมอยากจะศึกออขณะได้ฟังทำคำสอนของเราตถาคตเตี่ยมล้นไปด้วย เ, ออเหตุผล เ, ออเธอไม่ได้คิดติดตามเหรอในการประพฤติปฏิบัต เธอไม่ได้ปฏิบัติเหรอมีแต่ฟังอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้นะต้องลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยจึงจะเชื่อนะที่มาคิดถึงองค์หลวงตาที่ท่านพูดเหมือนกันหลวงตาที่ท่านพูดอัตมาภาพเลยเข้าไปฟังท่านบอกว่าคนทางอีสานของเราเนี่ยโดยมากศรัทธาพูดแล้วก็เชื่อง่ายแต่ไม่ได้แต่เรื่องปฏิบัตินั้นรู้สึกว่าจะห่างาจะห่างไป เพราะนั้นเชื่อเน่ยเชื่อเชื่ออยู่เชื่อได้ง่ายแต่ว่าปฏิบัตินั้นยังห่างพอานั้นคนเราเนี่ยต้องเชื่อพอเชื่อแล้วก็ลงมือปฏิบัติเหมือนกับเราว่าดูแผนที่พอดูแผนที่เสร็จแล้วเราก็ต้องเดินตามถ้าเดินตามแล้วเราจะรู้ว่าแผนที่นี้มีจุดหมายปลายทางที่ไหนเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าแผนที่นี้ถูกต้องอไม่ปิดเบี้ยวไปทางอื่น นี้ก็เหมือนกันแต่โดยมากมีแต่เชื่อเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เดินตามจึงทําให้ จ, จิตใจลวนเละเรือไม่ไม่มั่นคงแต่ถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติอย่างพระสงฆ์ถึงท่านเป็นผู้เอาจริงเอาจังพอบวชเข้ามาแล้วท่านเชื่อเชื่อในพระธรรมคําสอนของปพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอท่านเชื่อเสร็จแล้วท่านก็เดินตามท่านให้นั่งสมาธิยังไงก็นั่งให้ภาวนายังไงก็ภาวนา ให้กำหนดจิตใจยังไงให้กำหนดแต่ท่านเดินตามแล้วท่านก็ได้รับความสงบทางด้านจิตใจโอ้ทอําคอนทำคำสอนของพระพุทธเจ้านเป็นของจริงอันนั้นถอนไม่ขึ้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเชื่อไม่เชื่อไปเชื่อธรรมดาไม่เชื่อว่าคิดเอาเฉยๆแล้วก็เชื่อเชื่อออกมาทางด้านจิตใจจริงๆแหฝังหลักลึกมันเชื่อทางด้านจิตใจเพราะปฏิบัติไปแล้วความสงบเป็นยังไง สมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงรู้ได้ด้วยตนเองถอนไม่ขึ้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเป็นศรัทธาที่ฝังลึกเพราะในภาคปฏิบัติมีแต่เรียนแผนที่เฉยๆที่เราไม่ได้ปฏิบัตินั้นอาจจะถอนขึ้นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นองค์หลวงตาท่านบอกว่าเนี่ยศรัทธาตัวเนี้ยเบื้องต้นก็ต้องมีศรัทธาก่อนแต่เมื่อมีศรัทธาแล้วก็เราลงมือประพฤติปฏิบัติ นั่งสมาธิภาวนาจุนจิตใจของเรารวมสงบนั่นแหละจริงจะถูกต้องแต่ถ้ามีศรัทธาเฉยๆนะยังไม่พอจะได้มาพูดถึงพระในครั้งพุทธกาลพระองค์นั้นท่านก็อยากจะศึกมากแต่เนี่ยเไปพบพระพเจ้าเพราว่าบัณฑิตนักปราดนะถึงยังไงก็ต้องเชื่อไว้ก่อนพอเชื่อไปแล้วจะประสบจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าว่าไม่เชื่อไม่มีศรัทธามีความไม่เชื่อนั้น อจะหาความเออสําเร็จแต่ยากพระสงฆ์ท้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่พระที่ว่า เ, เชื่ออในผู้ที่ควรเชื่อแล้วประสบความสําเร็จพระพุทธองค์ก็บอกว่าสมัยหนึ่งอพระเจ้าพร ม, มทัตของราชสมบัติในกรุงพาราณสีสมัยนั้น เจ้าแผ่นดินมีลูกมากแต่คงจะมีขคามเหสีมากมีลูกถึงร้อยคนแต่ในพระราชสำนักก็มีพระประเจกมาบิดาบาทคือมามาฉันทกวันมาฉันทุกวันในพระราชสำนักแต่บุตร เ, เจ้าฟ้าชายองค์เล็กนเจ้าฟ้าชายองค์เล็กเข้าไปกราบ พระปเจกเป็นผู้ปฎิบัติล้างเทา้านำบาตรทำอาหารถวายาพระปเจดคือเป็นผู้องค์นี้เป็นผู้ใส่ใจสนใจอย่างมากต่อพระปเจกพุทธเจ้าก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระเป็ดพระปเจกพุทธเจ้ารู้อานาคตอดีตอ น, นาคต ด, ด้วยตอนนี้พอปฏิบัติวันหนึ่งก็เลยเข้าไปถามพระปเจกพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะ ไอ้พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมคือถามเป็นเป็นเป็นการส่วนพระองค์พระปเจกว่าไม่ไม่ได้เป็นอไม่ได้เป็นเพราะว่าพระองค์เป็นบุตรสุดท้ายเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เป็นแต่ว่ามีทางหนทางนะมีหนทางที่ได้เป็นจะได้เป็นพระพระเจ้าแผ่นดินได้เออแต่ว่าต้องเข้มแข็งนะ ถ้าไม่เข้มแข็งไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นอย่างไรพระเจ้าข่านพระพเจิพุทธเจ้าก็าแนะนำว่านี่เมืองตกัศิลาพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์ครแล้วเดี๋ยวเเขากำลังรอรอผู้ที่จะมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าไม่มีทายาทเขากำลังจะเสี่ยงราชรสในเมืองตกัศิลาแต่ถ้าพระองค์ไปทันไปทันจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่ว่าต้องเข้มแข็งนะก่อนที่จะไปนั้นอตอนที่จะไปนั้นเราเราแนะนาไว้ก่อนว่าหนทางที่จะไปนั้นมันยาวไกลแต่ว่าการไปเดินทางนั้นนะจะมีพวกอมนุษย์คือพวกยักษคีนียักษิคีนียักษ์โคโนยักษ์ผู้ชายยักษ์ผู้หญิงแล้วก็ เ, เป็นอมนุษย์ อยู่ตามรลายทางเขาจะเชิญเชิญให้พระ อ, องค์แวะเวียนแล้วก็ไปพักนอนทานอาหารกับเขาโดยมากอาหารที่จากเขาจะให้นั้นเป็นพิษทั้งนั้นแต่ถ้าพระ อ, องค์เข้มแข็งนะไม่ต้องดูไม่ต้องแลไม่ต้องมองออแปลว่าความมุ่งมั่นของเราคือตะกัศิลาถ้าพระ อ, องค์ทำอย่างนั้นได้พระ อ, องค์จะประสบความสาเร็จแต่ถ้าพระ อ, องค์อ่อนแอนั้นตายครึ่งทางแน่ เนีถ้าถ้าเชื่อเราก็ไปได้ถ้าถ้ามั่นคึงขนาดน้ก็ไปได้อันนี้อยู่กับพระ อ, องค์นะอ่าไปรัชเจ้าฟ้าชายองค์เล็กบอกก็ผมทับได้ก็ผมพร้อมที่จะไปได้ลักษณะอย่างนั้นเพราะกับผมเชื่อในพระประเจตพุทธเจ้าเออเอาจากนั้นฟ้าชายก็ขึ้นมาที่พักของตนเองก็เตรียมกระเป๋าหนังย <c oughs> กระเป๋าหนังเป๊หนังย ใส่น้ำใส่เอางหงใส่อาหารก็ว่าเดินทางเจ็ดแปดวันเตรียมพร้อมเสร็จแล้วก็เดินเลยพอเดินมาถึงพารานพลรานสนามพวกทาหารมหาเล็กทั้งหลายก็เอา้าผมขอไปด้วยจะไปที่ไหนเอ้ฟ้าชายครับไปเมืองตกสิหลาผมขอไปดูโอ้อยาไปพระเปจกสั่งแล้วบอกว่าไม่ให้นั่นเอา้าท่านทำยังไงผมทำได้ทางนั้นอผมท่านไม่ให้ดูผมก็ไม่ดู ไม่เหยมองผมจะเดินตามพระองค์ท่านตลอดเออเอาถ้าพวกท่านพร้อมกับไปว่ากันเอาไปมหาเตตกู่ใจกับโอ้ไปหลายสิบคนเหมือนกันเดินตามไปพอไปที่ที่เดินเดินเดินไปก็เหนื่อยเหนื่อยก็ไปเห็นอย่างที่ว่าเนะี่ยเขาก็เชื้อเชิญทานอาหารเชื้อเชิญนั่งพักผ่อนแต่พระโพธิสัตว์นี่มองดูแล้วเชื่อในพระธรรมคําคสอนของพระประเจกพุทธเจ้า โอ้อันนี้มาลองเราแล้วไม่ไม่อยู่แต่พวกทหารท่านไม่ดื่มน้ํำพอนแล้วครับเอ้ยไม่ไม่อย่าดื่มนะไปแต่พวกนั้นก็ฟังได้สุดจุดสองสามจุดพวกทหารก็หายเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นหมู่ไปท่นเนี่เอเพราะเหตุไรเพราะว่ามันเหนื่อยเพราะเหนื่อยเสร็จแล้วเขาก็เชิญให้ดื่มน้ําเำพวกสาวก็มีแต่สาวสวยๆทั้งนั้น่ะพวกอัปนุษย์เขาจาแรงแปลงตัวมา ที่พักพาอาศัยก็มีแต่สวยหรูเขาเชิญขึ้นมาพูดหวานอีกต่างหากทั้งตาทั้งหูก็เห็นสัมผัสเข้าไปแลยก็ลลหลงไหลขลางไคล้กับรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นทนี้จากนั้นแต่พร ะ, พระโพธิสัตว์นีไม่ดูไม่แลไม่หมองมีตรก้มหน้าก้มตาดุ่มอย่างเดียวเดินอย่างเดียวเพื่อตกาศิลธรรนี่แหละ พอเดินไปได้วันสองสามวันท น, นลูกน้องบริวารในเกลี้ยงหมดเลยมีแต่พระโพธิสัตว์องค์เดียวเดินไปถึงเมืองตะกัติิลาเป็นวันที่เจพอไปถึงไม่มีที่พักก็ขึ้นไปนอนแท่นศิลาอาจในสวนอุทยานจากนั้นเขาไปเสียงราชรถรถกูวิ่งเข้ามาก็มามาหาราชบัณ์ลังก็ถามไถ่จากนั้นก็ได้ยก รัฐ บ, บัลลังให้แก่ฟ้าชายฟ้าชายก่อนใช้พระปีชาสามารถคายๆกับว่าเขาถามมาอะไรตอบอะไรเขาที่พระเจ้าแผ่นดินองค์กรที่ท่านมีปริศนาให้ให้ตอบท่านก็ตอบได้ทั้งหมดเพราะท่านเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วคือพระโพธิสัตว์เนี่ยจากท่านท่านก็ได้ครองเมืองตะกัศิลา นี่พระพุทธองค์ก็บอกว่านี่นะการที่จะทำสิ่งไหนก็ตามให้มีความมุ่งมั่นให้มีความตั้งใจถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาของเราวาดีแล้วรอบครอบแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วไม่มีทางอื่นแนละ้วที่จะดียิ่งกว่านี้ถึงมันจะเลาะแหละอยังไงเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเหมือนกับพระ ก, กุมารเหมือนกับเจ้าฟ้าชายที่เดินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นท่านก็ได้สาเร็จ จนได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองตกัศีลาเพราะนั้นเธอเข้ามาบวชในพุทธศาสนามาถึงเราตถาคตเราตถาคตเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วชาตินีเ้เธอยังไม่ฟังเราอีกเหรอเธอต้องฟังน ะ, ะถ้าเธอฟังแล้วเธอจะได้สมความสาเร็จสมความมุ่งมาตนปรารถนา เพราะพระองค์นั้นได้ฟังก็ได้สําเร็จพระสูดาบัตท่านก็ไม่ศึกละไรนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะทํำสิ่งใดก็ตามถ้าพิจารณาทีทุวนถูกต้องแล้วต้องเป็นผู้เข้มแข็งอย่าไปเหลาะแหละอ่อนแอให้เป็นผู้มุ่งมั่นต่อศีลธรรมต่อเหตุผลต่อคือความถูกต้องทางว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจกนันแล้วนั่นแหละ ความสําเร็จสมคุมความมุ่งมา่นปรารถนาจะเกิดขึ้นกับพวกเราแต่ท้าว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นก็จริงอยู่วันนี้แต่วันต่อไปหมูชักชวนไปกินเหล้าซะไปเล่นการพ น, นันซะไปเที่ยวไปเตรซะอผลที่สุดก็เลยไปถึงไม่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะเหตุไรเพราะเราไม่เข้มแข็งเพราะ น, นั้นนิทานลิชาดกเรื่องต่างๆ ที่พระพุทธศาสนาที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้เนี่ยท่านเรานำมาคิดนามาพิจารณาและเป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราจะได้เดินไปสู่จุดหมายปลายทางเนะี่ยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านวันนี้ธรรมาภาพได้พูดเกี่ยวกับทองคำขององค์ลงตาแล้วก็เป็นพูด ถ, ถึงเรื่องชาดกในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา จะได้ให้พวกเราเป็นผู้มีความเข้มแข็งเป็นผู้มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองสิ่งไหนที่เป็นดีสิ่งไหนที่มันจะดีต่อประชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ขอให้พวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้มีเหตุมีผลอย่าเป็นผู้เลาะและอย่าเป็นผู้ไม้ปักขี่เลนหลงปูหลง ตามมหาบัวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่าท่นานบอกไม้ปักขี่ควายไม่ใช่มาปักขี่เลนปักขี้ควายขี้ควายขี่ออกไปแล้วเอาไม้ปักทุดแท้แต่มันจะเป๋ไปทางไหนคือหากฎเกณฑ์ไม่ได้เนี่ก็ขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนพวกเราที่ได้รับการอบรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีอัตมีธรรมเป็นผู้มุ่งมั่นขอขอให้พวกเราเดินตาม แถวแนวของพ่อแม่ครูบายอาจารย์พวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจแอ่ตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอ่อ